หญิงที่เปล่งประกายเนิ่นนานมาแล้วยังมีราชาพระองค์หนึ่งทรงป่วยหนักเพราะคำสาบร้ายของปีาศาจไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถช่วยเขาได้ท่านพ่อเป็นยังไงบ้างมันเป็นคำสาบที่รุนแรงมากมีวิธีเดียวที่จะคลายคำสาบนี้ได้แต่ว่ามันหายากมากมาบอกข้ามาคุณหมอข้าจะพลิกแผ่นดิน หามันมาให้ได้เราต้องการดินจากโพรงกระต่ายโพรงนั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบปีและเราต้องการดินภายในสามวันข้าจะหาโพรงนั้นให้ได้แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอายุเท่าไหร่นั่นเป็นความเสี่ยงที่ท่านต้องรับไว้เจ่าชายออกเดินทางเข้าไปยังป่าและค้นหาโพรงกระต่าย เขาควบม้าอยู่นานแต่ก็ไม่พบกระต่ายเลยแม้แต่ตัวเดียวจนกระทั่งท่านใดนั้นเขาพบกระต่ายกำลังวิ่งข้ามทางเจ้าชายรีบควบม้าและตามกระต่ายไปเขาตามกระต่ายไปยังถ้ำแห่งหนึ่งถ้ำแห่งนี้คือที่อยู่ของยักษ์ปีศาจและเจ้ายักษ์มองเห็นเจ้าชายตอนนี้เราพบใครอีกลหเจ้าชายงั้น เจ้ากล้าเข้ามาในถ้ำของข้างั้นเหรอข้าต้องการดินจากพรองกระตายด้วยโปรดให้ข้าไปเอามาเถอะชีวิตของพ่อข้าขึ้นอยู่กับมันข้าจะกลับมาหาเจ้าและให้เจ้าทําอะไรกับข้าก็ได้ตามที่ต้องการแต่ตอนนี้ปล่อยให้ข้าตามกระต่ายตัวนั้นไปด้วยเถอะจ้ะให้ข้าโง่ปล่อยเจ้าไปเหรอเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นฮ่า ปล่อยฆ่าเธอได้โปรดปล่อยฆ่าไปเป็นเวลาสองวันสองคืนที่เจ้าชายติดอยู่ในกล่องเขาพยายามเปิดมันออกแต่ก็ไม่เป็นผลเขากังวลเกี่ยวกับพ่อของเขามา…กในคืนที่สองกล่องได้ถูกเปิดออกเจ้าชายแสบตาด้วยแสงแปล ก, แ, ปลกและเขาก็ได้พบหญิงสาวที่สวยเป็นประกายที่สุด ที่เขาเคยได้พบมาข้าเป็นกระต่ายที่เจ้าตามมาเมื่อวันก่อนเจ้าอยักษ์นั่นสาบให้ข้าเป็นกระต่ายในตอนกลางวันและกลับคืนร่างในเวลากลางคืนตอนนี้เจ้ายักษ์ได้ออกไปข้างนอกแล้วรีบไปเร็วเข้าก่อนที่เจ้ายักษ์จะกลับมาแล้วเจ้า ควรนำดินนี้ไปด้วยนะมันมาจากโครงกระต่ายอายุสิบปีเอาไปให้ของพ่อของเจ้าเร็วเข้าขอบคุณมากนะเจ้าหญิงบอกข้ามาข้าจะช่วยเจ้าได้ยังไงตอนนี้เจ้าควรหนีไปให้ได้ก่อนแล้วเมื่อพ่อของเจ้าหายดีเจ้าต้องออกเดินทางไปทั่วโลกแล้วเจ้าจะพบหนทางที่สามารถช่วยเหลือข้าได้ตอนนี้รีบออกไปเร็วเข้าเจ้าชายทาตามที่เธอบอกเขากลับมาที่พระราชวัง และช่วยชีวิตพ่อของเขาได้จากนั้นเขาก็ทําตามที่เจ้าหญิงบอกเขาตัดสินใจออกเดินทางไปรอบโลกท่านพ่อตอนนี้ท่านหายดีแล้วข้ามีคําสัญญาบางสิ่งที่ต้องทําพ่อเข้าใจลูกรักเจ้าหญิงช่วยชีวิตข้าไว้พ่ออนุญาตให้ลูกทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือนางให้ได้ข้าต้องออกเดินทางไปทั่วโลกแต่ว่าไม่ใช่ในฐานะเจ้าชาย เป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดามาดูกันว่าข้าจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนั่นดีมากเลยลูกรักหวังว่าลูกจะกลับมาเร็วๆนี้ดังนั้นเจ้าชายจึงออกจากพระราชวังในฐานะเด็กหนุ่มธรรมดาเขาออกเดินทางไปไกลและในคืนหนึ่งเขาได้พบกับชาวประมงที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งไงเจ้าหนุ่มไม่เคยเจอเ จ, อเจ้าแถวนี้เลยเพิ่งมาอย่างนั้นเหรอ ใช่ข้ากําลังเรียนรู้ที่จะหางานทําอยู่นะถ้างั้นทําไมเจ้าไม่ลองมากับข้าละ่ะข้ากําลังต้องการคนแข็งแรงเช่นเจ้ามาช่วยเหลือมาลองเป็นชาวประมงเอาไหมได้เลยน่าสนใจดีออกดังนั้นเจ้าชายจึงไปกับชาวประมงและเรียนรู้เกี่ยวกับการจับปลาเจ้าชายทํางานอย่างหนักนั่นทําให้ชาวประมงพอใจมากเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องไปชาวประมงได้มอบแหให้กับเขา แหนี่ข้าได้มาจากพ่อมดไม่มีปลาตัวไหนในโลกแข็งแรงพอจะทำมันขาดได้เจ้าเอามันไปด้วยนะขอบคุณมากครับจากนั้นเจ้าชายออกเดินทางต่อเมื่อเขาหิวเขาก็จับปลาเมื่อเขาต้องการเงินเขาก็เอาปลาไปขายเขาเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอาณาจักรแห่งใหม่พระราชวังสรองประกายอย่างเจรจรัสดวงดาวนับพันส่งประกายในยามค่าคืน เขาถามคนที่เดินไปมากับสิ่งนี้พี่ชายข้าเพิ่งมาที่นี่บอกข้าหน่อยสิทำไมพระราชวังถูกตกแต่งเช่นนี้มีงานพิเศษอะไรในคืนนี้งั้นเหรอโอ้พระราชวังถูกตกแต่งแบบนี้ทุกคืนนั่นแหละราชาในฐานะพ่อฉลองมันให้แกความงามของเจ้าหญิงของเราและราชาท้าเลยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนจะส่องประกายไดมากกว่าลูกสาวของเขาไม่เคยมีใครบอกเลย ว่ามีหญิงสาวคนอื่นที่งดงามมากกว่าเจ้าหญิงแล้วทาไมถึงเน้นแต่เรื่องความงามล่ะมันแค่ความภูมิใจของคนเป็นพ่อมั้งจริงๆแล้วเจ้าหญิงของเราเก่งทั้งด้านกีฬาและศิลปะทุกๆอย่างเลยแต่เธอก็หวังเป็นที่สุดเลยว่าจะมีผู้หญิงคนอื่นที่ส่องประกายได้มากกว่าเธอเพื่อที่พ่อของเธอจะได้จบงานฉเฉลิ่นนี้ซะเธอรู้สึกว่ามันน่าอายมากๆเลยล่ะ บางทีข้าอาจช่วยเจ้าหญิงได้นะดังนั้นเจ้าชายจึงไปที่ราชสำนักของราชเธอฟาบาตข้ารู้จักหญิงที่ส่องประกายราวกับพระอาทิตย์เจ้าชาวประมงธรรมดารู้จักหญิงที่ส่องประกายราวพระอาทิตย์งั้นเหรอขอรับกันก็ดีข้าให้เวลาเจ้าหนึ่งอาทิตย์พานางมาที่ราชสำนักแห่งนี้ให้ได้เออฟาบาต ข้าไม่เห็นด้วยที่ผู้หญิงจะแข่งกันเรื่องความงามถ้าข้านํานางมาที่นี่ก็เพียงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหญิงสัญญากับข้าว่าท่านจะต้อนรับนางอย่างแขกผู้มีเกียรติข้าให้คําสัญญาแต่ถ้าเจ้านํานางมาที่นี่ไม่ได้เจ้าจะต้องถูกลงโทษข้าตกลง ดังนั้นเจ้าชายจึงกลับไปที่ป่าในอาณาจักรของเขาและหาทางไปยังถ้ําของยักษ์แต่ถึงแม้เขาจะพยายามมากแค่ไหนเขาก็ไม่พบทางเข้าเลยเนื่องจากมีน้ําท่วมเต็มไปหมดและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหาทางเข้าพบเจ้าชายตัดสินใจที่จะดําลงไปในน้ําและตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเรียกขึ้นเจ้าชายรอเดียวเจ้าเป็นใครกัน ข้าเป็นแม่ทูนหัวของเจ้าหญิงข้ารู้เจ้าคือเจ้าชายที่นางเคยบอกกับข้าท่านรู้จักข้าในร่างชาวประมงได้อย่างไรนางบอกข้าว่าเจ้ามีรอยยิ้มในแววตานางอยู่ที่ไหนหลังจากที่นางปล่อยให้เจ้าออกมาจากถ้ำอยักได้โกรธนางมากๆเขาขังเธอไว้ในกล่องเดียวกันกับที่ขังเจ้าเอาไว้ แต่เมื่อนางเปลี่ยนเป็นกระต่ายนางก็ไม่สามารถออกจากถ้ำได้เพราะเขาสร้างน้ำท่วมไว้รอบๆถ้ำดังนั้นตอนนี้นางจึงต้องอยู่แต่ในกล่องใบนั้นข้างในน้ำนั่นถูกปกครองด้วยปลายักษ์ดุร้ายข้ารู้วิธีที่จะเข้าไปในถ้ำจากโครงที่นางทำไว้ตอนที่นางเป็นกระต่าย แต่ว่าพวกเราก็ไม่สามารถออกมาได้เช่นกันเพราะมีปลาคุ้มครองไว้ยังไงล่ะไม่ต้องห่วงแค่เข้าไปในนั้นและเข้าไปในกล่องอยู่กับนางกล่องนั้นเป็นไม้มันจะลอยขึ้นแน่ข้าว่ายน้าได้เก่งมากข้าจะดึงเจ้าขึ้นมาเองแต่ว่าแล้วปลายักษ์ล่ะข้ามีแหที่ไม่มีปลาใดแข็งแรงพอจะทำลายมันได ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเข้าไปหาเจ้าหญิงเราเข้าดังนั้นหญิงเทราได้เข้าไปในถ้ำและเข้าไปอยู่ข้างในกลองกับเจ้าหญิงเจ้าชายหวานแหนลงไปในน้ําและปลาก็ถูกจับได้เจ้าชายว่ายลงไปในถ้ำและดันกลองออกมาในไม่ช้าพวกเขาก็ออกมายัางข้างนอกโอ้เจ้าชายท่านช่วยชีวิตข้าเอาไว้ ข้ามีสิ่งที่ต้องขอร้องท่านอะไรละ่ะทุชายบอกเจ้าหญิงและแม่ทุนหัวเกี่ยวกับราชาและลูกสาวของเขาข้าไม่อยากจะขอให้เจ้าไปที่นั่นกับข้าหรอกนะแต่เมื่อข้าได้ยินว่าเจ้าหญิงเหนื่อยกับการที่ราชาอวดอ้างความงามของเธอและเธอปรารถนาที่จะมีใครสักคนงดงามกว่าเธอเข้ามาในอาณาจักรความทุกทุกอย่างของเธอมันก็คงจะจบลง ข้าเข้าใจแล้วเอาสิข้าจะไปที่แน่นกับเจ้าเองดีเลยที่ราชาจัดงานเลี้ยงของเขาในตอนกลางคืนข้าจะได้กลายร่างเป็นตัวเองพอดีมีวิธีที่จะทำลายคำสาบของยักษ์ให้หายไปจากเจ้าได้ไหมมันจะสลายไปหากข้าได้เดินผ่านหมอกสีทองดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางไปยังอาณาจักรแห่งนั้น แต่เมื่อพวกเขามาถึงพระราชวังเจ้าชายได้ขอร oh. ้องเรื่องแปลกเขานำกล่องไม้มาและขอให้เจ้าหญิงเข้าไปอยู่ในนั้นจากนั้นเขาก็ยกกล่องเข้าไปในพระราชวังนายล่ะหญิงสาวที่งดงามกว่าลูกสาวค่ะตามท <icy ling drums legislation> <th> ี also, ่เจ้าพูดไว้ฟาบาทนางอยู่ในกล่องนี้นี่เรื่องตลกอะไรกัน ยิงสาวที่เปล่งประกาอยู่ในกล่องนั้นเหรอมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะพ่อนุม่มข้าขออีกสักครู่นะฝ่าบาทท่านช่วยนำผงทองคำจากท้องพระคลังมาให้ข้าได้ไหมข้ายอมให้ท่านลงโทษข้าได้ตามที่ท่านต้องการแต่ว่าได้โปรดอดทนกับข้าสักหน่อยเถอะนะงั้นก็ได้ไปเอาถังผงทองคำมาให้เขา ผงต้องถูกนำใส่ท่อและเป่ามันออกมาให้คล้ายกับหมอกทองคำฟ้าบาดเขาทำให้พวกเราเสียเวลาเปล่าถ้าเขาทำเช่นนั้นเขาต้องชดใช้ตอนนี้ทาตามที่เขาบอกไปก่อนดังนั้นผงทองคำได้ถูกเติมเต็มเข้าไปในท่อมีทหารนับร้อยเป่ามันออกมาเป็นผง ม, มันดูราวกับว่าเป็นหมอกทองคำที่หนาทึบ เมื่อหมอกหนาพอ่อแม่ทุนหัวได้เปิดกล่องออกและตัวหญิงก็ได้ออกม า, ออกมาเธอเดินผ่านหมอกทองคำและคำสาบของเธอก็สลายไปผู้คนทั้งหมดในราชสำนักต่างก็ตกตะลึงในความงดงามของเธอคุณผู้หญิงเจ้าช่างเปล่งประกายกว่าหญิงใดในโลกนี้เห็นไหมท่านพ่อ ตอนนี้ได้ปลดหยุดอวดอ้างความงามของข้าแก่คนอื่นสักทีข้าลำบากใจกับมันมากข้าอยากมีจุดยืนอย่างอื่นบ้างนอกจากความงามข้าขอโทษ ด, ด้วยลูกรักชาวประมงเจ้าทำได้อย่างไงจากนั้นเจ้าชายก็บอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองและเจ้าหญิงราชาจัดการให้พวกเขากลับไปยังอาณาจักรของเจ้าชาย ที่นั่นพวกเขาได้แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปเจ้ายักษ์ไม่เคยรบกวนพวกเขาอีกเลยแต่พวกเขาก็ระวังที่จะไม่เข้าไปใกล้ถ้ำแห่งนั้นอีกแล้วราชาก็ได้เรียนรู้ว่าความงามไม่ใช่ทุกอย่าง